เป็นคำถามที่สําคัญมากฟังดูแล้วนี่มันหาคําตอบได้ง่ายๆแต่ว่าจะตอบให้ถูกต้องนั้นเนี่ยมันยากคําถามนั้นก็คือคนเราเนี่ยเกิดมาทําไมถ้านผู้ฟังเคยสงสัยไหมว่าเราเกิดมาทําไมอันนี้แหละมันก็เป็นคําถามที่ท้าทายนะซึ่งในทีนจริงเนี่ยหลายคนตอบได้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 เอาความทุกข์ออกจากจิตใจเสียได้เมื่อไหร่แล้วก็เราก็จะมีความสุขไปเองความสุขอย่างเนี้ยเป็นความสุขที่สงบเย็นเป็นความสุขที่เกิดจากจิตไม่มีกิเลสเพราเป็นความสุขสูงสุดเลยความสุขสูงสุดนั่นก็คือความสุขที่จิตไม่มีกิเลสแต่ถ้าออกว่าเราจะดําเนินชีวิตในแต่ละวันเนี่ยยังมีความทุกข์อยู่ก็ไม่เป็นไรหรอกนะ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 เรามีความตายเป็นธรรมดาเพราะด้นความเจ็บป่วยหรือความตายเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมชาติทีนี่ถ้าหากว่าเราเป็นอาจจะต้องเผชิญหน้ากับความเจ็บป่วยทางด้านร่างกาย เ, ยเราจะทํำยังไงที่จะทําใจไมห่หทุกข์กับความป่วยไข้ทางด้านร่างกายเยเราจะใช้สติอย่างไรบ้างที่จะเอาชนะความเจ็บไข้ได้ที่มันทุกข์มากก็เพราะว่าเกิดความกลัวนั่นเอง เมื่อมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่มักจะมีความกลัวความวิตกกังวลป่วยทั้งกายป่วยทั้งจิตเลยร่างกายเจ็บป่วยยังไม่เพียงพอนะใจเรายังเป็นทุกข์ด้วยจิตใจเลิป่วยไปด้วยและไม่มีใครช่วยใครแต่ถ้าเราฝึกจเจริญสติอยู่เสมอๆ ส, สติเนี่ยสามารถช่วยได้ช่วยให้ไม่เกิดความกลัวไม่เกิดความวิตกกังวลทั้งจิตใจได้แม้ร่างกายจะเจ็บป่วยบางท่านอาจจะ นึกในใจว่าโอ้ไอเรื่องความเจ็บป่วยเนี่ยเราไม่กลัวหรอกเรากลัวตายมากกว่าบางคนบอกว่าตายไม่กลัวลกลัวเจ็บเพราะก่อนจะตายเนี่ยมันต้องเจ็บก่อนแต่บางท่านเนี่ยยิ่งน่าดึงนะตายไม่กลัวเจ็บไม่กลัวกลัวแก่เคยถามว่าอ้าททำไมไม่กลัวตายทำไมไม่กลัวเจ็บทาไมกลัวแก่โถ่พอพูดถึงเรื่องความแก่เนี่ยมันหมดกาลัง มันหมดเรี่ยวหมดแรงเลยหมดกาลังใจที่จะมีชีวิตอยู่ยอันนี้ก็คือทัศนคติแต่ละบุคคลนะจะกลัวแกจะกลัวเจ็บหรือจะกลัวตายก็สรุปลงที่กลัวทางนั้นแหละเราจะแก้ไขจิตใจเราไม่ให้กลัวได้อย่างไรก็ตอนน้องเราต้องเข้าใจสก่อนว่าความเจ็บป่วยทางร่างกา ย, ยมันเป็นเรื่องธรรมดาทุกชีวิตเนี่ยหลีกเลี่ยงไม่พ้นหรอกแม้แต่พระเจ้าเอง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 เราอาจจะใช้ความคิดคิดว่าอ๋อนี่เจ็บปวดแค่นี้ถ้าเราทนไม่ได้เนี่ยเจ็บปวดตอนจะตายเนี่ยเราจะทนได้ไหมถ้าเราตายไปความเจ็บปวดนี่ยเราต้องตกนรกความเจ็บปวดในนรกเนี่นหนักกว่านี้นะนึกถึงปฏิปตาของพระพุทธเจ้าสมัยที่ท่านบำเพ็ญทุกขละกิริยาท่านมีความทรมานมากนึกถึงคนที่มีทุกขเวทนามากกว่าเรา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 หายใจเข้าว่าพุทธหายใออกว่าโทรหรือบริกรรมมาปวดเนาปวดเนออาศัยคำบริกรรมเหล่านี้คือตอนที่เราจะมาหมกมุ่นอยู่ดีวความเจ็บปวดทางร่างกายเราเอาจิตไปฝากไว้ที่คำบริกรรมซะไปเกาะติดอยู่ที่คำบริกรรมมันก็ลืมความเจ็บปวดได้ชั่วขนาดานึงทำให้ใจเราเนี่ยแยกออกไปจากความเจ็บปวดไปทิ้งไว้ที่คำบริกรรมเนี่ยเป็นอารมณ์ของสมถะมันก็ช่วยได้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 อาศัยการยอมรับรู้ดูแบบหา ง, หางดูแบบปล่อยปล่อยวางวางวางใจเป็นกลางๆจิตมันก็จะปล่อยวางแล้วก็พ้นออกมาจากความเจ็บปวดนั้นได้เพราะฉะนั้นในตอนนี้เราอาจจะไม่เกิดทุกขเวทนาแบบนั้นเราก็อย่าประมาทต้องฝึกสติให้มากๆถ้าเราฝึกสติให้มากๆเราก็จะสามารถผาเผชิญหน้ากับความเจ็บปวดทางร่างกายแบบรู้ตัวทั่วพร้อม